พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าให้ยืดสายหลงปูมั่นในการภาวนาวันนี้เป็นวันที่ สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมานักศึกษาแพทย์มหิดลได้เข้ามาสู่วัดมาเตรียมพร้อมที่จะบวชวันที่ยี่สิบสี่มีนาแต่เมื่อวานพระพี่เลี้ยง ถามไทยดูแล้วก็บอกว่านากเอสาหังใช้ได้ถ้าฝึกอีกหน่อยเดียวไปว่าทุกอย่างเรียบร้อยเข้ากันได้แล้วก็ขอให้พกพระพี่เลี้ยงช่วยๆกันดูอัฐบริขารจัดบริขารให้เข้ากับนากเหมือนกับเสื้อผ้าไซส์ไหน สงควรไซส์ไห น, นนี่ก็เหมือนการผ้าจีวรถึงจะเป็นผืนใหญ่ก็มีไซส์ของเขาเหมือนกันสาหรับองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยพระพี่เลี้ยงจยช่วยกันดูอาถรรพ บ, บริการให้ครบบริบูรณ์เพราะว่าการบวชนี่จะจาขาดบริขารไม่ได้บริขารเนี่ยเรากยืมบริขารก็ไม่ได้ บริขารส่วนใดส่วนหนึ่งอัฏฐะบริขารไม่ครบนลยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ถามก่อนที่จะบวชให้ถามอัฏฐบริขารอายันเตปัโตอันนบาตของเจ้าใช่ไหมอายังสังคาติอันนี้เป็นผ้าห่มการหนาวเป็นผ้าห่มคลุมของเจ้าใช่ไหมอายังอุตราสั่งโค อันนี้เป็นผ้าห่มกีวรของเจ้าใช่ไหมอันตราวาสโกอันนี้เป็นผ้านุ่งของเจ้าใช่ไหมอันนี้คล้ายๆว่าถามอัถบริขารผู้ที่จะบวชเพราะนั้นเรื่อง อ, อนากที่จะบวชก็พระพี่เลี้ยงต้องช่วยๆกันดูให้บริการให้ครบบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยนั่นแหละไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแบบ ลว ก, ลวกเอสหังก็ยังไม่ได้อัฐบริขารก็พลุงพลังอิลุงตุงนางไม่ได้นะก็ว่าให้ถูกตามกฎตามระเบียบตามหลักพระธรรมวินยัยแต่เมื่อบวชเข้ามาเราทําถูกตามหลักพระธรรมวินัยแล้วเราก็มั่นใจภูมิใจสบายใจออกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่เป็นนาคด้วย ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยเพราะนั้นให้ช่วยๆกันดูถ้ามันขาดเหลือขาดตกอะไรอย่าเป็นไม่ต้องหนักใจบอกหลวงพ่อหลวงพ่อมีช่องทางที่จะหาให้ได้เรื่องอัรรบริขารแต่ที่ยังไงทางฝ่ายครูบาอาจารย์ที่เคยบวชมาก่อนรุ่นพี่ที่เคยบวชมาก่อนเขาคงจะช่วยกันดูเรียบร้อยแล้วละ่ะ แต่เอามาให้พระดูอีกรอบนึงเพื่อให้ถูกต้องมั่นใจอแล้วก็จัดให้ทูกอถ้ามาจัดไม่ถูกอพอมบวดเข้ามาวันที่จะบวชจริงๆบริขารไปคนละทิศละทางอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเคยมีที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้น่เคยมีวันหลวงพ่อก็เคยเจอมาแล้ว อย่างพระเอาไปบวชที่วัดโพธิสมพรทั้งที่กับพระพี่เลี้ยงกขาว่าใส่ใจพอสมควรเป็นผ้าสบองขันตามปกติต้องเป็นผ้าสบองขันที่ตัดเป็นช่องช่วงตัดเป็นช่องตามพระวินยัยแต่เนวันนั้นไปเอาผ้าสบองวาดเข้าไปเถอะพอขี้ออกมาดูโอ้ตายาบวชไม่ได้เพราะไม่ถูกตามพระวินยัย จะต้องหาผ้าแถวนั้นเข้ามาเสริมอีกนี่แหละอันนี้ก็คือความบกพร่องของพระผีเลี้ยงก่อนที่คล้ายๆว่าเป็นผ้าพับๆดูแล้วก็คิดว่าเป็นผ้าสบงไปเลยไม่ได้คลี่ออกดูว่าเป็นผ้าสบงขันหรือผ้าสบงวาดแต่ตามพิธตามพระวินัยแล้วก็ต้องเป็นผ้าสบงขันอันนี้เราเป็นเอาผ้าสบงวาด เข้าไปนี่มันดูแล้วมันไม่ได้แต่พระอุปชาก็ต้องรีบหาในแถวนั้นเข้ามาถวายไม่ใช่ยืมนะยืมก็ไม่ได้อีกต้องถวายขาดไปเลยเพราะในครั้งพุทธกาลการยืมบริขารการบวชพอบวชเสร็จแล้วก็องที่ให้ยืมก็ทวงบริขารคืนก็เลยมีเรื่องกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยอีก ก่อนที่จะบวชห้ามยืมโมลิขานผู้ใดเป็นของส่วนตัวและเป็นของตัวเองแท้ๆจึงบวชได้อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนในครั้ง พ, พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนะมีมาหมดนะจึงในมีบัญญัติวินยัยวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าถึงจะใครจะเข้ามาบวชในวัดของหลวงพ่อเนะี่ยต้องเอสาหังหลายๆให้ถูกต้อง เพราะเป็นมาในครั้งพุทธกาลแล้วในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ท่านก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอพระอัญญาโกนทัญยะได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดความรรเคารพเลื่อมใสนับถืออย่างแล้วจากจะบวชพระพุทธเจ้าก็เอาบวช พรได้บรรลุพระโสดาบันแล้วเพราะพระรยากรตรัสว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเราบัญญัิไว้ดีแล้วเราตั้งไว้ดีแล้วองค์นั้นก็เป็นพระบริขารลอยมาอันนี้ก็คือท่านพูดมาในพระไตรปิฎกบริขารลอยมาท่านก็บวชเป็นพระพอต่อมาอีก ว่าพัทิยะมหานามอาจเฉชิอีกสี่องค์ก็ได้สำเร็จแล้วก็บวชอีกแบบแบบเดียวกันเอหิภิกขุอุปสัมปทาคคำไม่กี่คำเป็นภิกษุมาพอต่อมาเห็นพระภิกษุสงเหล่านี้นไปประกาศเทศนาว่าการคณะสัทธาตาิโยงเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสเข้ามาขอบวชต้นีิมนมาก พระพุทธเจ้าเออให้พวกท่านทั้งหลายากล่าวพุทธทางธรรมังสังขังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็บวชให้เขาไปเลยนะแต่นี้นก็เลยบวชขึ้นม า, อาพอต่อมาอีกคนเข้ามาบวชมา ก, อกเองพระพุทธเจ้าให้นี่แหละมันเห็นบวชง่ายเกินไปในช่วงติติสารณะขมณะเนี่ย ใครเห็นลูกน้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานตามถนนหนทางเออเอาบวชบวชบวผมบวชไม่ได้ครับเอาไม่ได้ว่าตามเออนโมตัสสะนโมตัสสะพระเขาวโตัวพระเขาวตัวว่าตามจากนั้นก็เป็นพระพ่อเป็นพระมา ก, ก็ปล่อยก็บวชไปเรื่อยเพอบวชไปเลย ไอ้พวกที่บวชมาก็ไม่ได้จบไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพระเนี่ยจะไปที่ไหนก็นเหมือนชีวิตครวญของตัวเองเป็นมาอย่างไรก็ทำตามที่ตัวเองเป็นครวญออยากจะไปที่ไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำาต่นี้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เคารพนับถือเลื่อมใสทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเ้าก็ํำหนีพ่พระแต่เนี่เออพระเธอทาไม ไม่มีวินัยทำมีไม่มีกฎระเบียบทําไมทําตัวสเปะ ส, ส, สปาถึงอย่างนี้มันดูดูเหมือนกับคารวะเลยไม่มีมารยาทที่ดีเลยเอ๋ศรัทธาญาติโยมเขาเอ๋พลธนาติเตียนพระสงฆ์ในยุคนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ไม่อยู่ในกรอบเอ๋ศรัทธาญาติโยมเขาตําหนิพระพุทธเจ้าข้า พระพุโรงเรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์สาเหตุเพราะอะไรเนี่ยเนี่ยมันต้องหาเหตุแล้วนะใช่ไหเอีเป็นเหตุเพราะอะไรทําไมพระสงฆ์จึงเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าหาเหตุมูลเหตุเพราะบวชง่ายเกินไปเนี่ยใครอยู่ในสถานที่ใดก็บวชพอบวชแล้วก็ปล่อยไม่ได้นําออกมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหมวิไัยเบื้องต้น ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีแต่บวชเข้ามาแล้วก็ปล่อยปล mm hmm. ่อยเพราะฉะนั้นนิสัยคารวะญาติโยมก็มีอยู่เวลาไปบินทบาทหนึ่งเห็นศรัทธาญาติโยมเขากาลังทานอาหารอยู่ในครอบครัวของเขาเพระนี่ก็ไม่มีอาหารจะจ ะ, จ ะ, จะฉันจะทานแหมก็ชูบาทเข้าไปในวงข้าวของเขาก็มีขนาดนั้นแหละ เ, เขาจะทํายังไงในเมื่อพระมาขอในวงข้าวเขาก็ต้องแบ่งให้ฮบางคนเขาอาจจะ ตุดาหรือว่าทำความไม่พอใจอกับพระสงฆ์ที่ทำอย่างนั้นพราทำพระสงฆ์ก็มันไม่ถูกนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติวินัยขึ้นมานะแต่นี้ต่อไปให้พระสงฆ์ทั้งหลายบวชแล้วก็สวดจะตุทะกรรมวาจา เ, เมื่อบวชเสร็จแล้วให้พระอุปชาให้ขอนิสัยจา ก, จากพระอุปชาถึง5ปี หรือทางว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่กับอุปชาก็ให้ไปอยู่กับอาจารย์อยู่กับอาจารย์หปีว่าอาจารย์โยเมพันเตโหหีข้าพเจ้าจะขอนิสัยจากท่านผ้าอาจารย์อจัต ะ, ะเกดานิเทโลนะพระละของท่านกับผมยินดีรับอันนี้แหละจากท่านมาพระสงฆ์ก็อยู่ในกฎและเบียบเลยพอบวชเข้ามาแล้วพระอุปชาก็ต้องใส่ใจว่า บวชแล้วจะไปยังไงอยู่ยังไงอย่างที่ท่านปวดที่วัดบวรอย่างนี้ถึงจะไม่ได้อยู่ที่วัดบวรท่านจะให้มาอยู่ที่นาคําน้อยท่านก็มีจดหมายแนะนํามาบอกกล่าวมามอบหมายมาบางอื่นพระองค์นี้นำชายาอย่างนี้ท่านอยากจะมาปฏิบัติที่วัดของท่านขอให้ท่านดูถ้าว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็ขอให้ส่งกลับไปที่สต้นสังกัดลักษณะอย่างนั้น จากนั้นมากับพระท่านก็มาอยู่หลวงพ่อก็ต้องรับเป็นภาระที่เป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวขาดเหลือขาดตกด้วยปัจจัยสี่ตลอดถึงเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรหลวงพ่อจะต้องเป็นผู้ดูแลเหมือนกับเป็นผู้ปกครองลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ผู้ที่เข้ามาอยู่ก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักพระธรรมวินยัย ศึกษาเรื่องกฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าวางไว้ยังไงแต่เรื่องวินัยก็คือเรื่องศีลศีลของพระคือกฎระเบียบอันนี้เรามองเห็นกันได้แต่เรื่องธรรมนะเรื่องธรรมนี่เรื่องสมาธิธรรมเรื่องปัญญาสมาธิและวิปัสสนาจุดนี้แหละเป็นจุดที่ใครสอนกันได้ยากแต่พูดแต่ว่าเรื่องในพระไตรปิฎกว่า ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศิลป์สมาธิตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารท่านพูดแต่เพียงเท่านั้นแต่นี้เราจะเพียงแท่นั้นมันไม่พอนะเลยไม่ต้องขยายผลเอยนะขยายผลก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเรื่องสมาธิในทำยังไงมีกี่วิธีที่จะทำสมาธิเนี่ย เออแต่นี่ก็ถ้าว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์จริงๆก็สเปสะสปะเอออย่างทุกวันนี้ เ, นเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนหนุ่มประมาณสักอายุสักสามสิบกว่าปีนะท่านเขาก็เคยสนใจเรื่องนี้แหละเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเขาก็บอกว่าผมไปศึกษาอ่านในพระไตรปิฎก แล้วก็ศึกษาครูบาอาจารย์แต่และองค์การแนะนําสั่งสอนนี่ไม่เหมือนกันผมก็เลยงงเลยไม่รู้จะยึดตามแนวแถวไหนองค์หนึ่งเขาก็แนะนําอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็แนะ น, นําอย่างหนึ่งเออผมก็เลยไม่รู้จะจะยึดตามแนวแถวไหนนี่แหละผมจะมาหาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกผมด้วยว่าจะทํำยังไงองค์หนึ่งก็วอกว่ากําหนดที่ลมหายใจองค์หนึ่งกำหนดที่ท้องกําหนด องหนึ่งกําหนดที่เวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งดูที่จิตใจดูดูแล้วผมก็เลยไม่รู้จะจับตรงไหนอแต่ฟังฟังดูแล้วก็มีเหตุผล อ, อ้างหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอืใช่ถ้าว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาให้กว้างขวางเนี่ยเราจะแยกแยะไม่ออกนะเราจะแยกแยะไม่ออกถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับวิธีทำสมาธิอย่างไจะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบและวิปัสสนาจะพิจารณาอย่างไรจึงจะกันกลองไตรตรองเหตุและผลถึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไปได้อันนี้ก็คือท่านพูดไว้อย่างนั้นแต่ทีนี้วิธีการทำนะ เ, เหมือนวิธีการทำจะทำยังไงจึงจะได้เงินเงินก็คือเหตุ คือผลแหะทีนี้เหตุนี่ก็คือการทําการทํางานแต่ผลก็คือเงินแต่บุคคลไปหาคนที่ปลูกยางกีดยางขายเขาก็ต้องอธิบายเรื่องการปลูกยางว่าควรจะเตรียมดินอย่างนี้ควรจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ปลูกยางอย่างนี้ใส่ปุ๋ยอย่างนีควรจะรอถึงขนาดนี้ต้องตูเป็นระยะระยะอถึงห้าหกเจ็ดปีจึงกีดยางพอกีดยางต้องทําอย่างนี้นี่ขายยางผมก็รวยนะ เออผมก็มีอยู่มีกินนะพอขายยางนะคนหนึ่งไปถามวาผมขายข้าวนะพิธีการปลูกข้าวจะทำนีนะ่มั่นคนละแนวกัอนอะไรตัีปลูกยางกับปลูกข้าวเท่นะี่ไอคนที่ที่ไปศึกษาในก่อนเนี่งแหละอา้าวแต่ผลที่ผมก็ได้เงินนะถ้าคนหนึงไปถามว่าผมขายของชําทําอย่างนี้นี้ก็ได้เงินมาเหมือนกันนะไอคนหนึ่งอา้าวเป็นผมเป็นนักกฎหมาย ต้องว่ากว้างนี่ตรงเรียนหนังสือมาเนี้่อผลที่สุดผมก็ได้เงินเหมือนกันนะแต่ละวิชาอาชีพมันก็ได้เงินมาเหมือนกันท่านนี้ผู้ที่ไปศึกษาเนี่ก็ไม่ได้แยกแยะท่านี่มีแต่ว่าผลออกมาก็ได้เงินแต่ว่าเหตุที่ทําทําไมไม่เหมือนกันมันน่าจะเหมือนกันหนาวิธีการหาเงินการปฏิบัติธรรมมันน่าจะเหมือนกัน่ะทําไมไม่เหมือนกันมันงงแหะท่นี้เอหลวงพ่อเนี่ยวิธีการ เหตุมันมันต่างกันอย่างนั้นนะตัวของเราต้องแยกออกแยะห้อยออกเอาเถอะวิธีการมันมีมากลากหลายถ้าว่าเราจะเชื่อมั่นในปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นนะให้เรายึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นก็แล้วกันเออแต่หลวงพ่อเนี่เชื่อในปฏิปทาของแนวแถวของหลวงปูมป่มั่นเพราะปู่มั่นท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก แต่หลวงปู่มั่นให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาสองอย่างในกรรมฐานของพระพุทธเจา้าพระพุทธจเจ้าเียงอาณาปานาตัติแต่หลวงปู่มั่นท่านบวกพุทธโทเข้าด้วยบวกพุทธโทกับอาณาปานสติเป็นสองอย่างกำหนดลมหายใจเข้าหายจออกนี่แหละคือทําจิตใจให้สงบแต่เมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นพื้นฐานดีแล้ว เนี่ยจะเดินทางวิปัสสนาังค่อยว่ากันไปอีกแต่จิตใจยังไม่สงบนั้นยังเอาเถอะนะให้ปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นให้ศึกษาตามนี้เพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นต้นตระกูล ท, ท, ที่ท่านให้กรรมฐานเราก็น่าจะไว้ใจมอบความไว้วางใจแล้วก็ชนาเชื่อถือเพราะหลวงปู่มั่นเองเมื่อท่านมรณภาพลงไปแล้ว กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุสายของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์หลวงปูตง่ต่างๆที่พันมรณภาพลงไปกระดูกของท่านอธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุคาว่ากระดูกกลายเป็นพระธาตุและอธิธาตุกลายเป็นพร ะ, า ธ, ะ ธ, ธาตุเนี่ยคือพระหพรหัสน์โพดอย่างอื่นไม่ได้เป็นพระรหัตเท่านั้นจริงจะเป็นได้เพราะฉะนั้นพวกเราเลูกหลานทั้งหลายน่าจะยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติอย่างไร ไม่ต้องสายนน้สนสายนี้สาวนาน้นสานี้จับโน้นจับนี้มันหายกว่าที่จะจับได้มันยากเอาเถอะทางวัาปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มันกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันยังมันไม่สงบเดี๋ยวภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันยังไม่สงบแล้วเราจะยึดสายอื่นก็นไม่ว่ากันมันได้ทั้งนั้นแหละมันถูก แต่ถ้าว่าเราจะไปศึกษาแล้วก็ฟังฉะนั้นฟังคนนี้ฟังสายนั้นฟังสายนี้ฟังกลุ่มนั้นฟังกลุ่มนี้พลนิสูรก็เลยไม่รู้จะจับสายไหนพลนินสูรก็เลยอ่อนอกอ่อนใจอก็เลยไม่รู้จะจับสายไหนก็เลยเป็นผู้เปล่าประโยชน์ไปเต่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ เ, เราตั้งอกตั้งใจนะยึดอะไรต้องยึดเราจะเอาตรงไหน ให้เอาเลยกรรมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้ง40สิบอย่างฮะไม่ใช่น้อยนะสี่สิบอย่างอันนั้นพอประมาณเท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อแต่หลวงปู่มันเอามาสองอย่างอาณาปานสติพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกอันหนึ่งนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติและได้ผลแล้วมันเห็นได้ง่ายเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่ เอ่อขี้คู่ขี้คู่เลขขี้คู่เลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่เออถ้าหากว่ามันมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นจะเป็นเลขขี้มันสลับกันสแสดงว่าสติของเราขาดแล้วน ะ, นะเนี่ยเราต้องตั้งต้นใหม่เนี่ยนี่แหละเห็นเห็นเห็นได้เร็วเพราะนั้นทดลองดูนะถ้าเราจะทดลองสติของเราดีไหม ให้เห็นทดลองนั่งภาวนานแล้วนับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสีนับหา้าถึงร้อยถ้ารึงถึงร้อยเนี่ยไม่เผลอเนสติของเรายังมั่นคง อ, อไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดี <c oughs> หน้าที่กว่ า, วาเ อ, อต่อไปแล้วก็นับสักเก้าครั้งสิบครั้งไม่เผลอแล้วเอ้ยังค่อยกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธภาวนาพุทโทพุทโทพุทธโธนี่แหละ เป็นการฝึกสติอ่คนที่มีสติสัมปชัญญะดีแล้วนะคิดอะไรทำอะไรดีทั้งหมดนะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้เข้มงวดกวดคันนะต่อไปสติของเราเรื่อนลอยเป็นอัลไซเมอร์ในง่ายๆผลในสุดคนที่เป็นประสาทประสาททั้งหลายนียน่คือสติมันขาดนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลเลยถ้าสตอิอยู่กับตัวเองนะจะเป็นบ้าได้ยังไง คนที่มีสติอยู่กับตัวเองตลอดคนที่ขาดสตินะีค่คือนั่นแหละมันไปลักษณะรูปลักษณะอย่างนั้นนะ่ะถ้าขาดมากๆ ก, ก็ัอย่างนั้นนะ่ะจดไม่รู้จักอะไรเลยเนะนเสียหาย เ, ยเพรา ะ, ะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญควรจะฝึกเอาไว้นะนี่แหละวิธีการฝึกนะต่อไปยังค่อยขั้นวิปัสสนาเดินยังไงอันนั้นคือมันต้องออกไปจากสมมติสมมตและวิปัสสนา ถ้ามีสมาสมา ธ, าธีแล้วก็ศึกษาเรื่องวิปัสสนาคือท่านการดาเนินการเดินวิปัสสนาอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่หลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเราคณะสัตยาธิโจมลูกหลานทุกคนที่เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกนักศึกษาทั้งหลายที่เข้ามาบวชถึงจะเราจะให้เรียนมาศึกษามาทางไหนสายไหน ศึกษามาสายไหนสายบาบาสายอะไรก็ตามฮะในเมื่อเข้ามาอยู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่คณะมาอยู่ที่นี่เนี่ย เ, เดือนกว่าให้ศึกษาเรื่องสายของหลวงปู่มั่นก่อนสายอื่นทิ้งไว้ก่อนมันไม่สายหรอกอยังค่อยว่ากันถ้าเราปฏิบัติดูสายนี้แล้วปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วมันไม่ได้ผล เ, เราจะกลับไปอีกก็ไม่ได้ไม่ว่ากัน แต่ว่าถ้าหาว่าเรามาอยู่ที่นี่มาศึกษาเลื่องแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วจะมาถามหลวงพ่อว่าเอาเพ่งอย่างนู้นเพ่งอย่างนี้กระสินอย่างนู้นกระสินอย่างนี้เน่ยเออจะมาถามหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะไม่ตอบนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อมาได้ศึกษาสายนั้นสายหลวงปู่มั่นเออเพราะนั้นพวกเราต้องทิ้งไปก่อนสายอื่นให้ภาวนาพุทโธซะก่อนเอาจริงจังให้ฝึกสติให้ให้จริงจังเออเนื่องเมื่อเมื่อสติ เราจริงจังเราภาวนาะตามแนวแถวของหลวงปูม่มันแล้วนั่นแหละถ้ามีอะไรผิดแปลกแตกต่างหลวงพ่อจะพูดได้แนะนําได้บอกกล่าวได้ตักเตือนได้แต่ถ้าว่าเป็นสายอื่นเพ่งอย่างงู้นเพ่งนเผื่อเพอ เ, เป็นบ้าขึ้นมาแล้วเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะมาศึกษากับในวัดของหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่รับรองนะเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ไปตามแนวแถวของหลวงพอ่อแนะนําสั่งสอนเอาสายอื่นเอาแนวอื่นมามาปฏิบัติไม่ได้นะ ถ้ามันเพ่งจิตใจออกไปข้างนอกมันเสียหายเสียสูญได้เหมือนกันนะปฏิบัติดีนะก็ว่าทําแตกทําแตกเนะ น, นี่ยกันนี่แหละให้เข้าว่าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอก อ, อยากจะมีอิทธิฤทธิอยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะเหนือกว่าใครๆทั้งหมดนะจะเป็นเหนือได้อย่างไงลองดูที่ใจนี่แหละมันมีที่เบรกที่ห้ามอยู่ตามแนวแถวของหลวงปูม่มันนะแต่ถ้าว่าไปสายอื่นแล้ว หลวงพ่อไม่รับรองอีกเหมือนกันนนะเพราะนั้นมาอยู่กับวัดหลวงพ่อนะอพวกลูกหลานนักศึกษาทั้งหลายนะให้ยึดแนวแถวของหลวงปู่มัน่นให้ภาวนาพุทโธนี่แหละกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าเรานั่งพยายามนั่งให้นานแล้วก็เดินยองกกมด้วยนะแล ว, วันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนาลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมยึดตามแนวแถว หลวงปู่มั่นในการภาวนานะเนี่ยพอมาหาลวงพอ่อหลวงพ่อจะให้ยึดสายนี้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงพ่อบอกกล่าวนี่หลวงพ่อก็มั่นใจเพราะเห็นอะไรเพราะต้นตระกูลของเราอธติธาตของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนั้นก็มั่นใจว่านี่คืออธติธาตของพระหันนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายพ่อแม่กูบาลจัน สายของพระอ ร, ะ ห, รหันต์หลวงพอ่อคิดว่าไม่ผิดแนะนำไม่ผิดกันแล้วกันนะมั่นใจว่าไม่ผิดรับพรในทีนี้นะ